44หลงคิดเกิดมากที่สุดวงเล็บเปิดสาพฤษภาคม2550จุดจุดนาที10วงเล็บปิดดังนั้นหลวงพ่อพูดถึงเรื่อยๆว่าถ้าไม่หลงคิดก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราสุ่มตัวอย่างของความหลงมานะถ้าเราจะเรียนสักตัวหนึ่งว่าหลงอะไรดีที่จะเรียนนี่ไปเรียนหลงคิดไว้หลวงพ่อเทียนทึงสอนเรื่องหลงไปคิดเหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าในเครื่องหมายคาพูดลักคิด หลวงปู่ดูลก็บอกว่าในเครื่องหมายคำพูดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดปราดเปลืองท่านบีบลงมาว่ามันเป็นเรื่องคิดนี่เองเมื่อใดที่คิดมันก็ไม่รู้ความจริงของกายของใจความคิดปิดบังความจริงของกายของใจเอาไว้ดังนั้นให้เรารู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดนะเนี่ยข้างหลงให้รู้จักหลงคิดไว้ข้างบังคับถามว่าบังคับอะไรมากที่สุดมันเริ่มมาจากบังคับใจนะ ทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติสิ่งแรกที่ทำคือวางฟอร์มต้องสำรวมใจก่อนนะแล้วก็คอยบังคับกายให้นิ่งๆทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะคิดว่าทำอะไรที่เหนือธรรมดานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรให้เหนือธรรมดากการปฏิบัติธรรมคือการที่เราคอยรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างไรธรรมดาของจิตใจเป็นอย่างไร อย่าปล่อยตามกิเลสไปเพลิดเพลินไปลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งไปอย่าเอาแต่บังคับกายบังคับใจไว้แต่ว่าต้องมีศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจตามที่เข้าเป็นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับมันคนไหนเคยหัดพุทโธนะก็พุทโธไปพอใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันรู้ทันใจตัวเองพุทโธไปใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันพุทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุทโธพอมีปิติก็รู้ทัน พุโทโธพอมีความสุขก็รู้ทันพุโทโธพอใจเฉยๆเป็นอุเบกขาก็รู้ทันพุโทโธแล้วก็รู้ทันใจไป